ตนี้อากาศมันเริ่มหนาวนะจังหวัดเรานี่ก็จะหนาวเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยคือเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สร้างให้จังหวัดไหนที่มีต้นไม้มีภูเขามีน้ำมีอะไรสมบูรณ์าทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะหนาวแล้วฝนตกก็หนักบ้านเราก็คล้ายๆกัน มีป่าไม้มีภูเขาที่บางทีเวลามันเย็นเนี่ยมันก็จะเย็นเยอะหนาวกว่าหนาวเยอะร้อนกว่าร้อนถ้ามันร้อนนะแต่บ้านไหนที่เขาไม่มีกําแพงไม่มีอะไรปิดกั้นบังเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นมันไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยร้อนมันไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยร้อนนะก็เป็นธรรมาชาติดําเดิม เรื่องความต่างก็ไม่มีเงินประเทศอะไรที่เขาบอกว่ากลางวันกลางคืนไม่มีคือดวงอาทิตย์หรือโลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์มันหมุนเอียงพอดีมันไม่กลายเป็นยีิบสีชั่วโมงให้กลางวันเท่านั้นกลางคืนเท่านี้คือมันทํามุมเอียงกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เลยไม่ตกดินสากทีพอจะคําเคลื่มๆหน่อยก็โผล่มาอีกล่ะ อันนั้นก็เป็นธรรมชาติสร้างให้เหมือนกันเราจะพอใจไม่พอใจก็ถามธรรมชาติเราก็สร้างให้แบบนั้นน้นในชีวิตนี้เราก็เลือกอยู่เอาอะไรที่พอประคองร่างกายสังขารอยู่ได้เราก็อยู่ในภาวะแบบนั้นแต่จใจมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่แตกดับสลา ย, ยคงเปลี่ยนไปไม่ได้ มันก็คงเป็นแบบนี้แหละชีวิตเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะมาทำความเข้าใจมันเหมือนคนนี้เป็นนิสัยแบบนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกก็ยอมเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้นิสัยแต่คําว่านิสัยนี้ต้องไม่มีความโลภความโกรธความหลงในนั่นแต่เป็นนิสัยที่ไม่มีพิษมีภัยเพื่อพออยู่ด้วยกันได้ แต่นิสัยที่มีความโลภโกรธหลงมีราคะโทสะโมหะมากไปคนอยู่ด้วยก็เป็นทุกข์เพราะพฤติกรรมของเราเองเหมือนเราเข้าใจธรรมชาตินี่แหละถ้าธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมือเป็นอย่างนั้นของมันเองไม่มีพิษมีภรรมัยซ่งเหล่าเรามากมายไม่มีเชื้อโรคในบรรยากาศแบบนี้เราไม่เป็นภูมิแพ้กับบรรยากาศแบบนั้นอะไรประมาณนีน้มันก็พออยู่ได้ ข้างในกับข้างนอกตัวตนของคนกับธรรมชาติข้างนอกก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะควรพึ่งพาอาศัยเนี่ยไม่ใช่สภาพแวดล้อมสิ่งข้างนอกนีนะ้แต่เขาอยากให้ภาพอยากให้พึ่งสภาพภายในคือความที่เรามีพุทธธรรมสังฆะเป็นสรณะถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วน ที่พึ่งคือความรู้ตัวการทำดีทำถูกทำควรพอทำมากๆเข้าสุดท้ายก็เห็นความเสื่อมนะของชีวิตเนี่ยคือไม่ได้หมายว่าทำดีไม่ดีแล้วมันจะไม่เสื่อมมันก็เสื่อมท่านที่บอกว่าเอาอริยสัจสี่มาเป็นสารณะเอามาเป็นที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัว แล้วเห็นความจริงอันประื้อนสีอริยสัจสีเนี่ยเวลาเห็นก็ไม่กี่ครั้งถ้าเห็นแบบผิวเผินฉากไปฉากมาด้วยความเห็นด้วยวิตรวิจารณ์เนี่ยมันจะมากอันนี้เมื่อก่อนไม่มีสติเนาะสติมันน้อยอริยสัจสีก็ไม่ค่อยรู้จักแต่พอมีการได้ยินในฝังบ้างอริยสัจสีก็พอรู้จักว่าคืออะไรยังไงอจิตเราก็จะเริ่มคิดเรื่องธรรมะลนะ อิยสัจสี่เป็นแบบนี้ทุกคือความคิดสมุทัยคือความอยากนิโรดนิโรดคือภาวะของความดับทุกอืมมคือการเห็นมคือการเห็นนิโรดคือการดับสมุทัยคือความอยากทุกคือความคิดถ้าเรามีตัวรู้มีพุท ธ, ธะมีธรรมะสังฆะก็จะนำไปสู่การรู้เห็นแบบนี้ ที่การที่เราเห็นเรื่อยๆ อ, อริยจสัตร์สีเนี่ยเห็นแบบผิวเผินไปนี่มันก็เหมือนทำให้เราเป็นคนมีเหตุมีผลขึ้นมามีเหตุผลนะเหตุผลคือความคิดนะเหตุผลที่จะอยู่กับความจริงแต่มันไม่ได้อยู่จริงโดยธรรมชาติของมันมันไม่ได้เป็นปรมทัศนสภาวะแต่มันเห็นแบบนี้ของมันเราก็เลย แต่เห็นตื้นนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าใจภาวะแบบนี้แหละที่มันทําให้เกิดมีวิตกวิจารติดบ่อฌานที่หนึ่งจะมีวิตกวิจารณคือมีความเห็นความเข้าใจก็จะเกิดการวิตกวิจารณ์ในธรมรมเรียกว่าวิตกวิจารแปลว่าคลุกเคล้าด้วยอารมณ์ธรรมะวั น, ว, นวันหนึ่งใจเราจะคลุกเคล้าคิดเรื่องธรมธรมะธรรมโอแต่เมื่อก่อนคิดอะไรเรื่องงุนงิดง ต, ติดอารมณ์อะไรข้างนอกเนาะ มันไม่เหมือนกันทีนี้อารมณ์แบบนี้นี่มันจะไม่ลึกพอรกรณีว่ามันยังไม่รู้แจ้งเรื่องอริยสัจในความไม่รู้แจ้งเรื่องอริยสัจเนี่ยมันทําให้ได้แต่คิดมันได้ให้ใหได้แต่นึกแต่คิดเรื่องธรรมะไปวันๆพอเรานึกคิดอย่างนี้มันไม่ลงตัวเหมือนไม่มีกําลังนะ่ะเล่นสนุกเกอร์นี่ตบลงหลุมนี่มันไม่ลงสักที แทงไปไสท้ทีไปขวาทีชนนั่นชนนี้คือมันไม่แม่นก็ เ, เลยต้องฝึกฝนฝนหัวคิวเล็งให้แม่นระ ล, ลึกรู้ระ ล, ลึกรู้ให้ตรงตรงตรงตรงกับตัวที่มันคิดตัวมันปรุงแต่งตัวอารมณ์ที่เกิดปุดขึ้นมาเนี่ยให้มันตรงถ้ามันไม่ตรงมันแทงไม่ถูกไม่ถูกมันก็ไม่ลงหลุมเนยก็มองบ่อยๆสังเกตบ่อยๆระลึกรู้ บ่อยเมื่อไหร่ที่มันตบลมหลุมเมื่อไหร่ก็นั่นแหละรู้จักอริยสัจไปครั้งหนึ่งคือเห็นทุก์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นความดับเห็นเป็นความดับที่สุดของธรรมะนี่ไม่ใช่คิดได้แต่ว่าเป็นอนัตตาเหมือนเราเปิดไฟนะแต่ก่อนมันมืดถ้ามันมืดมันสําคัญมันหมายมากหมายหลากหลายแต่พอเปิดไฟปุ๊บเอ้ามันแจ้งไปข้างวันหนงแล้วมันว่างไปข้งวันนี่มันไม่มีอะไร นี้สติสัมปญะของเราเนี่ยมันจะแจ้งกี่ครั้งมันจะสว่างกี่ทีขึ้นอยู่กับสภาพสติสัมปญญะขึ้นอยู่กับเราเปิดสวิตไฟถูกผิดนถ้ารู้อนัตตามันก็ปรากฏแต่ก่อนมันเป็นเหมือนสมถะนะเห็นคนหนึ่งเขาเขียนหนังสือสมถะเท้าขวาวิปัสนาเท้าซ้ายคือเขาจะบอกว่ามันไปด้วยกันนะ่ะ ก็ไม่ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาก็คือเท้านั่นแหละแต่ก้าวตัวนี้อาศัยตัวนั้นก้าวตัวนั้นอาศัยตัวนี้อขณะที่ยังก้าวไม่ได้ก็มีสมาธิตั้งมันเป็นสมถะเมื่อใดที่เห็นเลย ร, รู้เกิดการเห็นแจ้งทะลุไปก็เป็นวิปัสนาสมถะมวิปัสนาธรรมะมีวิปัสนาเท้าซ้ายเท้าขวาสลับกันไปบันทีมันยังไม่แจ้งบางทีแจ้งตัวอื่นนะหายไปวบไป เวลาแจ้งเป็นความลุง่งความปโปร่งความหลุดพ้นจากเรื่องนั้นไปพอมันหลุดไปแต่ละทีเราก็เสวยวิมุติสุขเสวยวิมุติสุขหลุดพ้นได้ทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วจะเห็นในเวลาเราได้อารมณ์มันจะมีความสุขนะอืมแต่มันมีความหลุดพ้นสามชนิดนะหนึ่งหลุดพ้นด้วยการกดข่มไว้มีสมาธิเนี่ย กดข่มไว้ดูพ้นด้วยปัญญาก็คือมันแจ้งขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันหลุดพ้นได้มันมันโลง่งมันโปร่งมันสว่างขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยเออก็หลุดพ้นได้แต่ว่าเป็นลุกพ้นชั่วขณะชั่วครู่สามนาทีห้าหนาทนาีสิบนาทีชั่วโมง หรือบางคนก็ยา ว, ยาวขึ้นหน่อยไม่มีราคาโทสะโมหะรบกวนก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันยาวขึ้นทีนี้ถ้ามีปัญญาต่อ น, นั้นก็ยิ่งทำให้มันสงบอืเห็นแจ้งขยับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกหยาบดับได้แล้วทุกอย่างกลางทีนี้ทับได้หรือยังทุกอยา่ยางหยาบก็คือนี่แหละอัตตาตัวตน ความไม่มั่นใจในวิธีปฏิบัติไม่มั่นใจในพุทธประธรรมประสงค์ไม่พุทธมั่นใจในเรื่องอหดิยาสัตย์ทีถ้าเราเห็นอริยสัจสี่คือความจริงเงินประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบแล้วเนะี่ยก็จะเกิดมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วความมีความพมั่นใจในเรื่องพระพุทธประธรรมประสงค์เนี่เรื่องของความรังดีสงสัย ในวิธีนั้นถูกวินีนี้ผิดเนี่ยมันจะหายไปมันจะไม่มีลงเหลือในในจิตใจเราโเฉพาะเราะถ้าหาว่ามันสิ้นไปแห่งปัจจัยของการเกิดทุกข์ในใจเราเรารู้เท่าทันมันเนี่ยความสงสัยในยิ่งหายางไปความสงสัยของภิกษุนั้นของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป จิตติมาราเซนังสู้โรอวโภสยามันตริกคันติดุดอาทิตย์กำจัดความมืดส่องสว่างอยู่ฉะ น, นั้ น, นมันก็จะหายไปนี่เป็นขีเล็อย่างหยาบคือถ้าเราจะรู้อะไรก็ตามนะสติเราสัมปชัญญะเราเนี่ยความรู้ตัวเนี่ยเกิดปีติเกิดสมาธิขึ้นมาอา้ามันล่งมันโนปร่งขึ้นม า, เ, าเร็วมิมิดฉายา บางก็เรียกว่าสัมมาญาณมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแล้ววัดตรงที่สังโยชนะ์เครื่องผูกมัดสังโยชน์โยชน์นะคือเครื่องผูกมัดจิตใจเรานี่หายไปไหมเนี่ยเวลาได้อารมณ์สังเกตดิบางทีบางคนได้แต่มันก็กลับเป็นใหม่แต่บางคนได้แล้วดับหายไปเลยคือสังโยชน์หายไปเลยอ่ะ อย่างเราเคยง่วงเงี้ยถ้าเราเคยได้เราได้อารมณ์ได้อารมณ์แล้วความง่วงหายไปเนี่ยเขาจะนับเนื่องในญาณวิปัสนาอืมแต่บางทีเนี่ยมันโปร่งมันล่งเฉยๆแล้วก็มันก็เหมือนเดิมเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นอย่ น, นั้นงั้นเขาเลยบอกว่าอย่าตรึกเอาตามอาการจะ่าตรึกเอาตามอาการคือถ้าเกิดเราหลุดออกจากทุกข์ได้ในแต่ละเรื่องปรากฏว่าสักพักมันก็เกิดมีอีกเนนีย เกิดง่วงอีกเงาอีกเกิดปรุงแต่งอีกคิดอีกเรื่องเดิมเวียงกลับมาอีกนี่แสดงว่ามันยังไม่เป็นยาณนนะทัศนะให้มันอาจจะได้ปีติได้เกิดความเอืบออิ่มเบื้องต้นได้ความโล่งความสบายชเฉยแต่ก็ยังดีนะหนึ่งไอ้ตัวภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันส่งผลให้ความลังเลสงสัยในการปฏิบัตินี่หายไประดับหนึ่ง มันจะว่าเกิดปีติเกิดสมาธิขึ้นมาเนความทุกข์มันหายไปดับไปแต่ว่ามันจะไล่มาจากนู่นอ่ะไล่มาจากตัวความงมงายคนทั้งหลาย ง, งมงายเพราะไม่เคยได้อารมณ์แต่ถ้าคนไหนได้อารมณ์ปุ๊บความงม ง, งายก็หายไปความมั่นใจก็มาทันทีแต่ตัวเนี้ยจะตัดแยกตัวอัตตาตัวตนเนี่ยจริงจรงกิเลสก็มีสามตัวนี่แหละทั้งหมดเลย ทั้งหมดทั้งอาสวะทั้งไรเงินตยจะมีอยู่สามตัวประมาณนี้เพียงแต่ว่าเราขยายออกถ้ามีแว่นขยายก็จะรู้ว่ามันประกอบไปด้วยเชื้ออะไรอะไรยังไงอนุสัยอะไรอาสวะอะไรท่านเองตัวสักยติทิฏิเนี่ยในเบื้องต้นก็มันเป็นตัวอัตตาตัวตนตัวตนที่มันเป็นรูปเป็นล่างเป็นความโลภโกรธหลงและต่อไปก็เออมันก็นลดลงเป็นปฏิฆะ ปฏิฆะงุนหญิดหายไปปุ๊บก็จะเป็นมานะความถือตัวเนี่ยนะมันถือตัวถือเอ้เราก็รู้ดูแล้วนะคนในเนี่ยไม่มีคนรู้เท่าไหร่นะดูคนนั้นกัง่วงคนนี้ก็งวงไม่ทำจริงทำจังเนี่ยตัวเนี่ยจะมาเพราะนันเราต้องเฉยเฉยได้กับความคิดความนึกทุกตัวที่มันเข้ามาในใจคนนั้นไม่ตั้งใจปฏิบัตินะคนนี้นขี้เกียจเนานะคนนั้น เอาเปรียบนะเนี่ยจิตมันได้ขึ้นมาไปเนี่ยฉะนั้นคนทุกคนที่อยู่เราก็เหมือนพี่น้องกันก็มาดูข้างในต่างคนต่างให้โอกาสกันดูข้างในตัวเราเองต่างคนต่างเป็นคนเห็นนะเห็นตัวเองแล้วก็แก่พอไม่เห็นเราก็มาดินได้ฟังไปปฏิบัติไปสังเกตดูเออตัวนี้มันไม่ได้ก็แก้ไขไปตัวนี้มันได้ก็แก้ไขไปคือแก้ไขเรื่อย ๆ, ๆมันก็จะสะอาดไปสะอาดไป ถ้าการปฏิบัติทำบางทีเท่ากิดแต่สภาวะพวกนี้แต่ว่าตัวที่ผูกมัดใจเราเนี่ยมันไม่หลุดมันเหมือนเดิมอัตาตาตัวตนก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เราไม่รู้เท่าทันมันนะืดยเพพาะเรื่องกันใช้ชีวิตกันใช้ปัจจัยสี่เครื่องนุง่งห่ม อาหารที่หัวใสพวกเนี้ยอย่างรักษาโรคแล้วก็มีราคะโทสะโมหะพวกเนี้ยมันลดลงน้อยลงไหมเราก็จะสังเกตพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้เหละเป็นเครื่องผูกมัดใจเราเอาไว้เครื่องผูกมัดใจอารมณ์ที่ผูกมัดใจมันเขาเรียกว่าเป็นกิเลสที่เป็นรากเง้าเป็นสังโยชน อยากสูบว่าเราเคยกินอะไนั้นอยากกินอันนี้เนี่ยมันเคยกินเนาะไอติมอย่างเงี้ยเห็นมันก็เกิดอยากกาแฟกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยมันก็เกิดอยากไอความอยากพวกนี้โผล่มาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเครื่องร้อยรัดใจเรามันรัดใจเราเอาไว้เหมือนเข็มมีได้ร้อยดอกวงมาลัยมันก็เกาะห้อยนั้นคือเราจะหลุดจากอันนี้ไม่ได้จิตมันก็ติด แล้วอยากอย่างนี้นิสัยเราเป็นคนอัตตาตัวตนชอบโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้เราเคยเป็นผู้บริหารแต่มาถูกคนอื่นบริหารจัดการเราก็เริ่มไม่พอใจเริ่มอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องร้อยรัดใจเราไม่ให้หลุดออกแต่เราก็ดูอยู่บ่ยบยอยๆเขาบอกว่าอาสวะบางอย่างเนี่ยต้องฝืนต้องฝืนอย่างมันหนาวเนี่ย เราลองสังเกตดูบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าไปมันอก็นาเอาไปดีนะแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพราะเราทําตำใจมันบ่อยๆบาทีเราเ อ, อ้อลองไม่นุ่เสื้อลองดูดีกว่านี้ไม่นุ่งพาถัวยมันหนาวเราสังเกตดูเวทนาดูที่ดูมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเออบางทีก็อาจเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วจิตที่มันเคยผูกมัดนั่นอะเคยติดมันก็จะหลุดออกไปเหมือนนกที่ติดตังติดบ่วงในพานแล้วหลุดออกเนี่ยมันก็สามารถบินไปได้ คือต่อไปก็คือเอา้าห่มก็ได้ไม่ห่มก็มีพุญยารู้นะ่ะคือเข้าใจมันเมื่อก่อนติดถ้าไม่ได้หม่มรู้สึกงงหงุดหงิดยิ่งถ้ามีระเบียบมีข้อห้ามเราก็ไปสนหนีไม่เอาละเบื่อหนายเพราะเรามองเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาบอกให้ตัดผมตัดเล็บอืมไม่เอาละไม่ไหวชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยอืมคือเราติดเนี่ยติดผมขนเล็บฟันหนังพวกเนี้ย มนโนอกไม่ได้จะนุ่งผ้าสีนี้นะนุ่งแบบนั้นนะอันนี้ก็ไม่ได้คือมันขัดไม่ได้มันเก่าไม่ได้เหมือนมันผูกมัดใจเราเอาไว้เนี่ยเราไม่อยากฝึกไม่อยากฝืนเราบอกว่านี่ตัวเรานะทั้งที่ตัวเราเองยังไม่ใช่ตัวเรานะผมขนเล็บฟันอาหารบนี้แล้วกินกันมาแล้วก็เพิ่มพูนกึ้มาก็เกิดเป็นรูปตัวนี้ขึ้นมาแล้วเป็นผู้มีความคิด เนที่มีความคิดว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเราออกอยากในการกินกันดื่มเนี่ยเราบอกเอ้ยยังไงก็คล้ยๆพอได้มันมาคิดเกี่ยวกับบัตตาตัวตนนี่แหละแต่เวลาฝึกฝืนมากๆ ม, มันก็เกิดคลายไปหายไปอสะวกบางตัวสู้ได้ด้วยความอดทนอนสะวะบางอย่างสู้ด้วยความหลีกเล้นหลีกเล้นสงบส ง, งัดไม่คลุกคลี อาสวะบางตัวละได้ด้วย ก, กันกระทามันไม่อยากทำํำทำมันไม่อยากฝืนฝืนอาสวะบางตัวหลุดได้ด้วยกันเห็นเห็นอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบาง อ, อ, อ, อย่างที่ทําไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากทํานะแต่ไม่เคยเห็นจิตมันไม่เคยเห็นนะเวลาไอเนี่ยเอาผ้าปิดปากไว้ด้วยนะ มันฟุ้งไปบางทีมันก็ไปติดคนอื่นเขาเนะี่ยบางทีมันก็นลดเสียงลงด้วยเพรตอนเช้านี่เราไอนี่เหมือนมันก็แทกอะไรออกมาจากข้างในมันจะเหม็นข้างในนั้นเอาผ้าปิดปากกลองไว้้อยู่ในหมู่คณะเนี่ยนี่แหละที่ว่าเราต้องมีตัวกรองหมู่คณะกรองและเปรียบบินในหน้าที่ความเหมาะสมความใดอย่างเนี่ยเหมือนเราไปอยู่ในหมู่แพทย์นะ หมอแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้ยเขาจะมีเครื่องต้านเครื่องรู้เลยรักษาโรคอย่างดีทีนี้เราก็เหมือนกันนะเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะน้องปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนคนนั้นก็ปฏิบัติคนนี้ก็ปฏิบัติต่างคนต่างเรียนรู้ธรรมวินัยด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยภาวะอัตตาตัวตนพวกนี้ออกมาเราต่างคนต่างก็ดูดูข้างในเนี่ยแล้วก็เอาหมู่คณะเป็นเครื่องกรองเราเองโอ้ยคนนั้นดีกว่าเราเนาะ วันนี้เป็นผู้อุภโสนะผู้ น, นี้เป็นพันเตเราควรปฏิบัติยังไงในถ้ำกลางประชุมชนที่บอกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมารู้จักราละรู้จกักเทชุมชนบุคคลนะคนน้อยคนมากเป็นยังไงบริษัทชุมชนเนี่ยรู้จักคนน้อยคนมากอยู่ยังไงถ้ำกลางผู้มีศินผู้ไม่มีศินผู้มีสมาชิกผู้มีปัญญามากน้อยกว่าเราถ้ำกลางเสมอกันอะไรต่งางๆเนี่ จะวางจิตวางใจยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าคนไหนมีโยนิโสมองเห็นแบบนี้ได้เนี่ยคนนี้จะหมดอาสวะง่ายนะแต่คนไหนก็ะทำอยากทําตามใจยังไงกระท ำ, ทำนะอะไรประมาณเนี่ยอันนี้จะไม่มีโอกาสนะอาสวะนี่หมดได้เพราะคนมีไอ้โยนิโสนะบางทีเขาเห็นเออมันยังหงุ่นหยิดอยู่เนาะตัวนี้สังเกตตอนนี้นก็ยังมีหงุนห่นยิฐตัวนี้อยู่โผล่มาอยู่เนี่ยเขาจะไปจัดการกับตัวเนี้ย ก็เริ่มสังเกตแล้วเอาอยู่กับคนหลอกให้มันออกมาเนี่ยอยู่กับคนน้อยคนมากหรือบางทีอืมบางอย่างสัญญุบบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะการใช้ประจําใช้ประจําลมันเคยตัวเคยชิ น, นก็งดใช้อบางทีเห็นว่าเรางดใช้งดเกี่ยวข้องเรื่องนั้นรู้สึกว่าอืมมันเป็นเพราะเรางดใช้งดเกี่ยวข้อง มันก็เลยเหมือนขมอยู่ขมไว้เนี่ยก็เปลี่ยนไปลองดูดิลองใช้ดูดิอย่างเช่นเราใช้ของเป็นธรรมดานะไม่มีแบรนด์นิมอะไรก็ได้ที่มันพอได้แต่ก่อนเขาใช้ไม้สีฟันเนี่ยเนี่ยปัจจุบันถ้าเกิดใช้ไม้สีฟันเนี่ยยูกยาเอาตามีตามได้ธรรมดาเนี่ยมียากินก็กินไม่มียากินก็แล้วไป เอาธรรมยาใจเอาสังเกตเอาดูเอาถ้าอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆพิจารณาเรื่อย ๆ, ๆวันไหนมันรู้ไม่เท่าทันก็แล้วไปกับเอือ้อมใหม่เขาต้งเรียกว่าอปิจวเวกไงอภิจเวกคือลืมพิจารณาแต่ถ้าปจเวกก็เหมือนปฏิสังขาอ ย, ยู่ปฏิสังขารอยู่เนี่ยเขาแปลว่าพิจารณา ทิ่สังขายอยเนี่ยแปลว่าพิจารณาการพิจารณาในใช้ความความรู้สึกนึงคิดพิจารณาเนืองๆอันบันอย่างก็ลืมพิจารณาแต่ถ้าวิตกวิจารเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พิจารณาอันนี้มันมีสติอยู่บ้างแล้วนะอันเนี้ยมันจึงวิตกวิจารเป็นฌานอันเนี้ยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ลงลึกพอไม่ลงลึกมันก็ไม่เกิดการเห็นแจ้งพอไม่เกิดการเห็นแจ้ง ญานาทศนะก็ไม่กบปรากฏมันก็ไม่นับเนื่องในองค์ของวิปัสสนาแต่ที่ว่านะจะเป็นวิพัสนาหรือไม่เป็นวิปัสสนาตรงที่มันเห็นอริยสัจสี่เขาบอกว่าอริยสัจสี่เนี่ยจิตเรานี่เห็นเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมันไม่กี่ครั้งแหะตามหลักสูตรของท่านก็คือสี่คู่แปดบุรุษเนี่ยอาจจะเห็นสี่ครั้ง เป็นมรคลขึ้นไปเป็นมรไอตัวมรคือทางสู่สู่ตึมเอื้อสู่ผลไอ้ตัวผลนี่มันจะกลายเป็นมรของตัวขั้นต่อไปนถ้ารู้แจ้งขึ้นมาก็เป็นผลแต่มันก็เป็นมรของขั้นต่อไปมันขยับขึ้นขยับขึ้นอย่างนี้นท่านบอกว่าเออเห็นแจ้งเพียงสครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วอาสวะก็น่าจะหมดถ้ามันไม่หมดเราก็ต้องไปทบทวนว่าการการเห็นของเราเองเนี่ย มันเป็นมิจฉายาณ ห, หรือว่าเป็นปัญญายาณมีผลต่อการทําให้ว่าสงบลงกว่าเดิมไหมั้ยคือความรู้ความเห็นเวลาเห็ น, หนที่ก็เห็นทุกนั่นแหละเห็นทุกเนี่ยมันดับหายไปไหมหรือถ้าในเบื้องต้นทุกมันยังไม่ดับหายมันไม่มีนะมันต้องดับหายเพียงแต่ว่าจะดับหายถึงระดับไหนบางคนก็ดับหายตื้น ทุกอันนี้หายไปแต่ยังเหลือทุกอันนั้นอยู่อย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าหาว่าเราจเจริญสติมาระดับหนึ่งนะความเพียรมันมีความโลภโกรธหลงก็ยังมีความอยากได้อันนั้นอยู่อยางเป็นอันนี้อยู่เห็นได้หลายคนนะเวลาเขาปฏิบัติธรรมเขาอยากทําธุรกิจอยู่ไปทําการทํางานหาเงินหน้าทองแต่รู้สึกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไป คือมันไม่ดึงดูดเหมือนเป็นสมัยที่เรายังไม่รู้จักเรื่องการเจริญสติอันนี้ความอยากมันมากมันตรงแต่งมากทุกข์ก็มากคำนิยามของพระโสดาบันเนี่คือก็ทุกน้อยนั่นแหละทุกมันน้อยลงทุกมันได้น้อ ย, อยมันไม่เยอะทุกมีแต่ทุกที่เกิดจากยังไงอย่างเกิดจากราคะเนี่ยเกิดจากโทสะเกิดจากความหลง แต่จะเป็นพบชาติสั้นๆมันไม่ยาวมันตื้นๆคือคิดเล็กคิดน้อยนะอันนั้นอันนี้คือคนมีดวงตาก็จะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าส่วนมากมันก้าวล้ามก้าวข้ามหรือก้าวพ้อันนี้ไม่ได้คือสังยุตตัวอื่นเนี่ยทาไม่ได้ส่วนมากคนก็จะเป็นเพีนแค่นี้นั่นความโลภโกรธหลงนี่ก็ยังมีในใจอยากทำมันนั้นอยากได้อันนี้อยากเป็นอันโน้นอยู่จิตเนี่ย มันมีความเพลินไปกับอนุสัยอาสวะธรรมทั้งหลายอยู่คือความโลภโกรธหลงนี่เคมีอยู่ในใจเราเป็นนั้นเราก็อยากได้อันนี้ก็อยากเป็นอยู่ลึกๆคืออย่างนั้น่ะมันก็จะยืดยาวมันเอื้อเฟื้อไม่มันก็เอื้อเฟือนนะมันก็พัถนาละ่ะแต่ถ้ามองให้ลึกในภาวะปัจเจกเนี่ยมันก็ไม่พัฒนา ท่นี้ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหวงอยูน่ในตัวเนี่ยไอ้ตัวราคะหนึ่งซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าตัวตัวราคะกามราคะตัวปฏิฆะมันไม่ออกให้มันไม่หลุดทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่หลุดก็แสดงว่าไอ้ความรู้แจ้งที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลก็อต่าให้โอรัมภยาสังโยชน์ ซึ่งเป็นสังยุตเบื้องต่ําเนี่ยมันจืดจางไปได้วันวันหนึ่งจิตเราก็จะคลุกคลีคลุกเทาอันนี้อาจจะอยู่ใกล้บ้างห่างบ้างก็มีบางทีก็อยู่ห่างๆบางทีก็เออถ้ามีสติช่วงไหนเก็บอารมณ์ก็พออยู่ได้พอไม่เก็บอารมณ์จะปล่อยเป็นธรรมดาเอ้อเราก็เครืองนะอันเนี้ยมาอยู่เรื่อยผุดไปผุดมาอยู่เรื่อยเนี่ยอืแล้วก็ฝึกฝืนมันะถ้าจะให้ดีเรา ก็นี่แหละสังเกตมันก็เข้ามาเรื่องอาหารการกินนี่แหละเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องนุง่งห่มเรื่องเสนาสนะแล้วบวชเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะ <thôi. S 1> เป็นไปแต่พวกทู ด, ดงอีกแบบหนึ่งนะเขาจะมีอะไรเตรียมพร้อมมากกระติกสเตนเลสมีผ้าหม่มสองชั้นไตจีวรสังกาติต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่ากรักษาโลกก็ต้องเก็บคือมันเหมือน ทุดดงไปนู่นไปนี่ไปจำนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเตรียมเต็มเลยบางนี้เตรียมพร้อมเลยไ ม, ไม่ใช่พร้อมลบนะพร้อมลบในพุทธศาสนานี่หมายว่าไม่มีอะไรไม่หมายว่าเตรียมทุกอย่างพร้อมเต็มย่ามเต็มถุงเต็มถ้วยทุกอย่างมีอะไรเกิดขึ้นกูเตรียมพร้อมแล้วไม่ใช่เตรียมพร้อมเนี่ยพอประมาณข้างนอกข้างในนะแต่ข้างในเนี่ยในใจเนี่ย ต้องให้มันว่าต้องให้มันไม่มีพระสงฆ์เราถ้าเราสะสมมานานๆติดบุหรี่ติดหมากติดพลูติดอะไรอ่างเนี่ยมันจะละยากคือยังมันคิดถึงอ่นะคือมันยังวูบขึ้นมาอยู่จิตเนี่ยอย่างคนติดหมากอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมมันนึกไม่อยากกินมันไม่นึกอยากอม สังขารร่างกายอันนี้มันจะไม่เอามันมีนึกถึงอะ่ะอย่างเสื้อภาพปัจจัยสี่เป็นธรรมชาติเอาตามพอดีแต่บางอย่างเนี่ยมันมันเป็นความติดของจิตเราพอมันถึงเวลามันก็เอามานะขนาดเข้าปลาอาหารเนี่ยยังกินเป็นเวลากินก็ได้ไม่กินก็ได้ตามธรรมชาติในข้อวัดปฏิบัติหมว่าภิกษุ เขาไม่ซื้อของแลกเปลี่ยนด้วยรูปียะอย่างอาหารเข้าว่าอาหารเนี่ยเราอยากอะไรในใจเราเราจะไปซื้ออันนั้นมันจะมีความรู้สึกนะถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนทันทีจี้วอนเนี่ยเราก็อยากซื้อเอาวันที่เราถูกใจเห็นไหมคือถ้าไม่มีเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าถูกใจหรือบางทีมีสิกขาบดบอกว่าจะไม่ให้ไปขอ ปัจจัยสี่ที่มีเรือขวางราคาดีกว่าแพงกว่าอันเดิมเก็บไว้มาไว้เพื่อตนใจสอยคือเขาอยากถวายยังไงก็เรื่องของเขาอะนแต่จิตของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าอยากได้อันนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้นะไอ้ตัวเนี้เป็นอนุสัยแบบหนึ่งนั้นเวลาเรามีตังเวลาไปล้านอาหารเก็ไปซื้อในสิ่งที่เราอยากระดีเพราะเรามีความอยากไ อันไอ้ตัวอาสวะตัวนี้มันก็จะไม่หลุดม well, ันไม่ออกเวลาเราจอดรถบางทีเอ้ารถเราเดินไปอืมไปงวดนี yes. ้นะบางทีไปเดินดูออกกำลังกายเดินไปนั่นไปนี่ไปเซเว่นไปล้วเข้าเนี่ยไปนี่เออตั้งแต่เราไปต้งแต่ออกจากวัดไปก็ไม่ไปไม่เข้าเซเว่นเอานั่งบนรถดูเฉยเยมันก็เฉยเฉยได้ทั้งทั้งหมด เมื่อที่ไปแล้วลองเล่นหยอกกับมันลองดูนี่เป็นไงนะก็ไม่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะด้วยอะไรเดินอ้ามีอะไรอ่ะที่มันชอบเราไม่ทําตามมันมันก็จะเริ่มเห็นว่ามันมันเป็นยังไงมันหงอยเหงาไหมหรือมันเฉยหรือมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาจิตใจเราตอนนี้เป็นยังไงอะเนี่ยเราก็จะมองมันอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ ถ้ามันมีถ้ามีหรือไม่มีมันเท่ากันมันก็ดีไปงั้นตัวตัวนี้มันจะไปลดไอ้ความใคร่ยากความใคร่ยากเนี่ยแต่ถ้าลดตัวนี้ได้เอาอสังโยน์เบื้องต่ำเขาเรียกว่าห้าตัวสิบตัวนะอัตราตัวตนความลังเรสงสัยความงมงายความเชื่อ เชื่อแบบความง ม, มงายความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันหายไปแล้วก็ขยับไ ม, ม่ยีกก็เป็นตัวอะไรความโลภโกรธหลงเนี่ยหายไปไหมจืดจางไปไหมคือว่าคนทําได้ตัวนี้ก็าจะเริ่มเห็นความคิดและตัดความคิดบ่อๆบอๆันนั้นพอตัดความคิดบ่ไปๆเข้าบ่อยเข้าไอ้ตัวคือเห็นมันเป็นสมมติ่อปๆ ไอตัวโทสะโมหะโลภะมันก็จะจืดจางโดยธรรมชาติเลยมันจะจืดจางนะเพราะเราเห็นมันบ่อยๆมันก็จางนะนั้นไม่ค่อยโกรธเพราะอลไรเพราะเห็นว่าเป็นแค่ความคิดเนี่ยเพียงแต่ว่ามันแย่ไม่แย่งเท่านั้นเองนั้นเขาบอกว่าสกิทาคามนะีความโลภโกรธหลงเบาบางคือเห็นความคิดบ่อยๆมันจะบางเอาอะไรไม่เห็นก็ตัวรู้ตัวรู้นี่ ได้มาสมัยตั้งแต่รูรูรูนามแล้วก็ไม่เห็นได้เนี่ยนั้นความคิดมันก็จะสั้นๆ น, น้อยๆบางคนก็จะอยู่เพียงแค่นี้แหละเอ้อพออยู่ได้แล้วว่าปฏิบปทาธรรมบางทีถ้าการได้ยินได้ฟังบางได้ศึกษาได้อะไรเนี่ยมันต้องไม่เกิดกําลังใจว่าเออมันยังมีวความก้าวหน้าไกลกว่านี้ยังมีภูมิธรรมมีพระอะไรที่เราต้องเรียนรู้เข้าถึงมากกว่าที่เป็นอยู่นี่เราก็จะมีมุมมุมาณะอุสาหะว้าเตรียมปินโตมานะ จะกี่อันนะไม่ชีนโมสัตเทเลนี่อันนะอืมมุตนตาเขาว่าสิบสองหรือสิบห้าอันนะคือเตรียมไว้เวลาเราคนาเราพัฒนาขึ้นปฏิบัติธรรมขึ้นอยู่เป็นปีเป็นอะไรมาเนี่ยก็จะเริ่ม ม, มีความมั่นคงบ้างแล้วนี่ก็จะเริ่มการส่งบิณฑโตให้พระทำความเพียรองค์ละเดือนสองเดือนอประมาณเนี้ย คือไม่ต้องออกมาไม่ต้องเห็นไม่ต้องยินต้องฟังคล้ายๆว่าทํามันยากขึ้นนดิลึกขึ้นไปหน่อยดูดิมาเอา้าแม่ครัวก็จัดใส่บิณฑ์โตให้ใคล้ายๆว่ากินเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเมื่อก่อนเรายังให้ออกมาบินทบาติแต่พอมาบินทบาตอยู่นี่เราจะเลือกเอาสิ่งที่เราอยากีเนี่ยไปบินธบาตบินธบาติที่ถูกต้องพระพุทธองค์ท่านเนิกล่าวไ ว, ว้ว่าอะไรอ่ะไปบินทบาตเนี่ย เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาอาชีวะวัดตรงที่ไปบินธบาตออกไปก็รู้สึกตัวออกไปกลับมาก็รู้ตัวนะแล้วพิจารณาธรรมะที่เรารู้ในขณะที่เดินกลับมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยทําให้จิตนี่มันโล่งตลอดสว่างตลอดมันไม่ติดอารมณ์กลับมาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ไปติดรูปชาวบ้านมา จิตมันผ่องใสไม่งุหงิดปฏิคะกับเพื่อนสัธรรมิกที่เดินทางจิตของเธอย่อมเกิดปีติและปลาโมดมีพิธิปราโมดนะเอบอบิมโล่งโปร่งถ้ากลับมามีภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะการทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยมันทำให้เกิดปีติเกิดปลาโมดเกิดสมาธิย่อมเข้าฌาน ท, าที่หนึ่งฌานที่สองที่สามที่ ส, สี่ที่ห้าดันดีเลยนะ ย่อมเกิดจุตัปฏิยา น, นาปูเพนิวาสาอสวุคย า, ยานเนี่ยท่านนับเนื่องประมาณประมาณเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะคือการกระทำอะไรก็ตามท่านนาไปสู่การเกิดปิติเกิดสมาธินี่ถือว่าถูกต้องที่พอเราเห็นเรารู้บ่อยๆ อ, อย่างเนี้ยสมาธิมันมี มันเกิดความเข้าใจขึ้นมาโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะชีวิตเนี่ยไอตัวความโลภมันก็น้อยลงโอ้ท่านกินเจก็ได้นะองค์เนี่ยฉันน้อยลงอะไรประมาณนั้นฉันมีมารยาทขึ้นหรืออะไรเคยอยากก็ไม่อยากมันมีนะบางคนติดผลไม้ติดอาหารการกินติดตำมละกกติดปลาลาติดอะไรประมาณเนี่ยคือเราอยากอะไรเราจะไปหากินอนั้นนะ่ะเรานึกอะไรเราจะ สั่งอันนั้นมากินสั่งอันนี้ไปหาเนี่ยจิตแบบนี้นี่ยเราจะไม่สามารถที่จะผลักอาสวะพวกนี้ยนั้นคําว่าอาสวะคือความอยากนะความอยากลึกๆอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้หมายคำ ว, ว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายนะแต่เป็นความอยากแล้วความอยากนี่ก็ยังตอบสนองอยู่มันไม่ดับสนิทนี่นั้นเราต้องมองกลับเข้ามากีา่ไหนมาดูมันว่าเป็นยังไงอย่างความง่วงความเหงา มันยังได้รับการตอบสนองไหมบางที่เราให้กินบ่อยๆ บ, บ, บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ไม่ออกนะแต่ถามว่าสงสัยไม่เรื่องปฏิบัติก็ไม่สงสัยนะแต่ว่าทําไม่เป็นนะเนี่ยเราทําไม่เป็นก็ต้องทําให้มันเป็นแต่นี้ปัญหามันคืออความง่วงนอนความฟุ้งซ่านพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นอนุสัยต่าๆแต่พราะมีสติระดับหนึ่งมันจะระวังเป็น ระวังเป็นมันถึงงุวงมากะระวังเป็นรูปมันถึงไม่มันยังไม่ดับก็ตามนะแต่มันระวังเป็นอันหยับหยาบเนี่ยมันจะมีเกิดในน้อยเกิดในน้อยแล้วมันก็ดับก่อนเมื่อก่อนโอ้ยโตเป็นต้นไม้ก็ต้นใหญ่โตีนี้เรามีการระวังไัยเมื่อไม่ค่อยโตไม่ค่อยงอกไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นดับดับให้มันได้มันเกิดตรงไหนดับได้ทันดับทั้งรูปเห็นเป็นรูปนะอย่างโยมคนหนึ่งเขาปฏิบัติทำเนี่ย ก็บอกว่าความคิดเดี๋ยนี้เวลาเห็นมันเกิดขึ้นมันจะเป็นเหมือนฝุน่นดับหายไปเลยคือมันไม่พอไม่พอในความที่จะเป็นตัวเป็นตนคือมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวอพอรู้มันจะคิดในรู้มันก็เป็นฝุ่นผงดับหายไปเนี่ยคือหน้าที่ต่อไปคือทำไงจะฝุ่นผงพวกนี้ดับหายนี่หน้าที่ของพระอนาคามีอะคือมันไม่พอจะเป็นความโลภความโกรธความห ล, ลง ไม่พอจะเป็นราคะโทสะโมหะถ้าไอตัวราคายังลบกวรอยู่ก็ออกยากดับไม่ได้มันก็กิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมันก็ขึ้นมานะแต่ว่าเราเห็นไม่เห็นเพียงแต่ว่าตัวสมาธิเรายังไม่แจ้งตรงนี้พอไม่แจ้งมันก็ยังลอยไปลอยมาถ้าวันที่เรายังอยู่ในแบบนี้ก็พอทนพออดได้พอเผลอ นานๆเข้าแบบชาวโลกเนี่ยมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตคือถ้ามันไปอยู่ในเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่มันจเจริญมันจ ะ, จะเจริญนะความคิดมันจะยาวนานแล้วก็กลายเป็นคําพูดเป็นการกระทําไปนั่นทําไงก็ตามที่จะได้เกิดสติสัมปชัญญะรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็สังเกตอยู่บ่อยๆเรื่อยๆจนน่นแล้วเห็นสังโยชน์เบื้องสูงที่เนี่ยอีกห้าตัว ืเราจะมีปัญญาสามารถดับได้ไม่บางทีเราสามารถดับได้ทั้งครั้งเดียวที่บอกว่าเออรู้แจ้งอริยสัจสักสามสี่ครั้งนี้ก็น่าจะจบคือมันอยู่ที่ความลึกของความรู้ตัวนี่แหละถ้าตัวรู้ตัวมันไม่เข้มแข็งมันก็จะรู้แบบวิตกวิจารณ์คลุกเคล้าไปเรื่อยๆก็พอประคองชีวิตให้อยู่ได้นะของประคองได้แต่ถ้าว่า มันรู้แจ้งจริงๆเนี่ยพวกนี้ก็จะหายไปเป็นการรู้นิโรธเราเคยได้ยินนสัญญาเวทยิตอนิโรธสัญญาเวทยิตะนิโรธคือเป็นจิตของผู้ดับทุกข์แล้วนะคือมันมีความรู้หรือมีสัญญาอันนี้แปลง่ายๆนะคือมันเห็นอาการที่มันทุกข์ดับอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเอง่ะ พอนึกขึ้นมาท่านใดก็คือเห็นภาวะนิโรธของใจสัญญาเรื่องการดับทุกข์มันเป็นอยู่มันเป็นสัญญาตัวใหม่ที่เกิดขึ้นจากสัญญาตัวเดิมนะแต่เมื่อก่อนเราเห็นอะไรกลายเป็นเพลิดเป็นเพลินเป็นสวยเป็นงามเป็นดีเป็นเด่นไปแต่พอมีปัญญารู้เนี่ยเออทุกอย่างก็คือเกิดและวก็ดับไปเกิดและวก็ดับไปเนี่ยมันจะเริ่มมีสัญญาตัวนี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นสัญญาเวทายิ่งนิโรธเหมือนสัญญาสิบประการะ นี่ก็จเจริญสติไปอย่างรู้สึกว่าเออตัวง่วงมาในริโรธนี้ั้นตัวงวงมาแบบนี้และจะดับแบบนี้เกิดมาเอาตัวง่วงมาแล้วดับไปปุ๊บเกิดมาปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยเกิดมาปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บตอนี้เขาเรียกว่าเออเรามีสัญญามีสัญญาเวทยิตะนิโรธเริ่มขยับเข้ามาแล้วแต่คําว่านิโรธเนี่ยขเขาใช้คําว่าดับทุกที่เหตุดับทุกแบบไม่เกิดอีกแต่ถ้ามันยังเกิดดีเขาก็ไม่ค่อยใช้คําว่านิโรธเน่ยเขาเรียกว่าการเกิดการดับไปเรื่อย บางทีเขาเรียกว่าอุทยับนะพยายญาณนะเห็นถ้ามันเกิดการดับแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งเขาเรียกว่าสัมมสนญาณนะสัมมสนญญาณคือมันเกิดแบบนี้โดยโดยสามัญโดยธรรมดาอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นานๆเข้านานเข้านานเข้ามันจะเริ่มเล็กลงเกลงเล็กลงล็กลงเล็กลงกลงเหลือนินอย ไอตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันน้อยๆเวลามันเกิดขึ้นแล้วก็ ด, ดับไปเนี่ยพอถึงตัวน้อยๆเนี่ยขเขาเรียกนีว่าอนุใสยอนุใส่คือมันค่อนคอดละเหมือนถ้าเราเป็นเด็กบนนอกเนี่ยทํำไรทํานาก็จะมีนะมีปลามันขึ้นมาในบ่อในอะไรปลาค้อนแจน า, าเราเรียกนะต้นนั้นแหละต้นปลามันเยอะอยู่เนี่ยอืไม่ได้ว่าสังยุ์ล่ะ แต่ตอนที่มันน้อยๆนั่นนั้นกิเลสท่านอยู่ในใจเราน้อยเนี่ยนั่นแหละถึงเรียกอจิตเราจะมีงานทําที่มัละเอียดส่วนบางคนก็คือไม่ละเอียดปบบนี้ฉั้นพฤติกรรมเราก็จะเป็นเป็นแบบเนี้ยเคยพูดเล่นพูดหัวพวกตลกบวกฮาสนุกสนานไปยังไงเราก็จะอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้จักมันฉั้นถ้าเราไม่งดไม่ละไม่เลิกหรือไม่ภาวนาไม่รู้ไม่เห็นไม่อดไม่ทนะอืม เราก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่แหลใช้นิสัยของกิเลสเหมือนเดิมติดนิสัยของกิเลสเหมือนเดิมหรือบางทีคนชอบสอนเนี่ยคนชอบสอนนี่้วก็จะสอนเนี่ยก็จะสอนเห็นแล้วก็จะบอกอะไรต่างเนี่ยเคยกระทบกระทั่งกับใครก็เห็นก็เอาก็เอาอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมันก็ไม่ดับเสเสียสักทีทุกไฟมันก็ครุ่นกุนเรื่อยๆแล้วก็อืม โตเป็นธาตุมันเรื่อยๆไม่ใช่เวลาเล็กน้อยก็ตามในช่วงสันส้นๆก็ตามทุกมันก็ยังปรากฏอยู่ดีดังนั้นดูข้างในลึกขนาดไหนอืส่วนร่างกายที่เคยพูดไปว่าเออเวลาเรากินหมากสูบบุหรี่อันนี้เป็นวิบากขันทางกายะทางกายทางใจเป็นแบบนึงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายคนไหนติดบุหรี่ติดอะไรอย่า ง, างนี้แก่ๆมาก็ลําบากอย่าง หลวงพูสั่งบอกว่าเออปอดไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยหมอก็พาไปดูปอดบางทีก็เป็นเพราะโรคเพราะเราสมัยเด็กสมัยเล็กหลวงพูสังก็มาเลิกสูบบุหรี่ก็มาอยู่กัลงตาตอนมาปฏิบัติธรรมท่านก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วตอนนั้นก็ตอนเป็นโยมมาเดินทูกกลมุมก็เลยเลิกสูบบุหรี่ทีนี้ก็อืเราทำอะไรไม่ได้ทางกายเนี่ยต้องยอมรับเงื่อนไข ของอวิบากขันอันนั้นนะเราเคยทํางานเยอะๆเจ็บหูเจ็บตาเคยเชื่อมเหล็กเคยเล่นจ่าเนี้ยเออมันก็เป็นธรรมดาวิบากขันฮเรากินมากอ้วนขึ้นมาเอาเป็นวิบากขันในเนี้ยคือต้องยอมรับมันนะต้องยอมรับยอมรับแล้วพยายามเฉยกับมันให้มันเป็นแต่ถ้าเราไปทุก อือโอายอย่างนั้นอย่างนี้นะโดยนิสัยโอ้ยอยากดูแลอย่างเยียวยาจะเอาใจใส่ต้องไมหลากหลายต้องเป็นแบบโน้นแบบนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราเห็นกายนีน่เป็นตัวเป็นตนที่เราอยากอยู่กับมันอีกเราเอาจริงกับจังกับมันอีกได้หมอที่นั่นกัหอไปมอที่นี่กัไปเรียวยารักษาเอาจริงเอาจังนะ เ, เพราะมันเพลินเพลินกับอะไรเพลินกับการอยู่เพลินกับการสอนเพลินกับการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี่ย ยชีวิตมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นนะเนี่ยต้องดูแล ร, รักษามั่นใจเหรอว่าอนุสัอสอสวะมันหมดเนี่ยเราก็จะเพลินทำหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเลถ้าเราไม่เห็นนะฉันต้องกลับมาดูข้างหนบ่อยๆเรื่อยๆดูเรื่อยๆแล้วก็อันไหนที่มันยึดติดมันปลูกมันพัน แล้วก็สลัดออกปล่อยออกวางออกเรื่อยๆที่จะให้ดีก็ อ, อย่างว่านะบางคนฟังหลวงตาพูดเนี่ยก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขแต่บางคนก็คือจะต้องให้มันเกิดญาณทัศนะอย่างเดียวเล่งทำความเพี่ยนคือเรามีความมุ่งหวังเรื่องปัญญานะเห็นแท้งนะพอมันไม่ได้พวบเนี่ยเราก็ผิดหวัง เราไม่รู้นะว่าวิธีปฏิบัติธรรมก็เพื่อปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องสร้างความหวังอะไรทั้งนั้นนะทำป้ายสักแต่ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยสักแต่ว่ารู้เฉยๆสักแต่ว่าเห็นเฉยๆอย่างเนี้ยแต่อเวลาเราเราโยนไม้ลงใปแลรวปักเนี่ยแล้ปักปักไม้นี่คือปักนี่ไม่ได้ลึกนะนะ เขาเว่าสักไม้สักเอาไว้สักจึกจิกๆๆๆจไปเนี่ยแบบนั้นแหละสักแต่ว่าะล้มคือล้มอยู่ก็คืออยู่สักเพื่ออะไรเพื่อเป็นเป็นหมายเป็นหมุดเฉยๆเป็นหมดเป็นหมายให้รู้ว่าอันนี้คืออันนี้นะอันนี้คือนะนี่เหมือนกันเน่ยเรารู้สมมุติเนี่ยเหมือนสิ่งทั้งหลายที่เราปรากฏขึ้นทางสัญญาทางเวทนาเหมือนเป็นสักแต่ว่าได้เองสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าระลึกสักแต่ว่าใช่ สักแต่ว่าเป็นสมมุติเนี่ยวนี้เป็นสักแต่ว่าเพราะถ้าว่าเราไปยึดมัน่นถรือมันทํามั่นคงแข็งแรงเมื่อไหร่มันก็ล้มยากมันล้มยากแล้วในิยมสัตว์สี่เนี่ยเรามองอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆแล้วเขาบอกว่าไปเล่นความเพี่ยนเล่งความเพียเพ่ยนคือทําตัวรู้ให้ต่อติดต่อให้เป็นสมาธินั่นเอง ไอ้ตกพี่ตกวิจารในเราพอมีแล้วมันคลุกเคล้าในอารมณ์มันเริ่มเห็นแล้วเริ่มคิดธรรมะธรรมูอะไรประมาณนั้นนะมันเริ่มมีสัญญาเนี่ยแต่ว่าสัญญาจะกการว่างสัญญาการแจ้งสัญญาของการทุกข์ดับหายเนี่ยที่เป็นเชื้อของสัญญาเวทยิย่งตานิโรธเนี่ยเราไม่เคยเห็นบางคนเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไม่เคยรับรู้ตั้งแต่ปฏิบัติมาคือเลยเฮย้ยการรู้แจ้งเห็นแจ้งมันไม่น่าจะมีอะไรประมาณเนี้ย มันคงคงต้องอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกและอาศัยที่วิเวกอย่างนี้กล่อมเก่าตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะมีระเบียบวินัยตัวนั้นตัวนี้ขัดเกลาห้ามนั้นห้ามนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยภาวะแบบนี้เนี่ยที่ที่ครูบาอาจารย์ฝ่ายมหา ย, ยานเขาบองว่าละที่ขับแคบมีแต่เรื่องระเบียบเรื่องแต่วินัยนะเห็นอาารย์ น, ะยนี่เคยเค่งวินัยซะมหา ย, ยานนีนเขา เอาใจใส่เคร่งคัดอยู่กับธรรมะธรรมะคือเขาเน้นที่ตัวรู้เน้นที่ฌานที่มีสติมีสมาธิฌานเพียรเพ่งเผากิเลสไปเลยแต่วเรานี่มักน้อยสันโดษโหมผ้าแบบโน้นแบบนี้อะไรประมาณนี้ยธรรมะงามไม่งามนักปราชญ์บางท่านท่านบอกว่าเหมือนนกมีสองปีกมันช่วยกันบินไปถ้าตัดปีกหนึ่งองค์มันจะบินไม่ได้ท่า น, นธรรมะกับวิ น, นัยไม่ว่านิ่งกายไหนทางไหนก็เป็นควรจะมีจริงๆ ธรรมวินัยมันเป็นธรรมชาติของมันเวลาเราปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีวินัยไม่ใช่แล้วไม่มีธรรมะคือท่านเน้นตัวรู้มากๆไม่ได้เน้นอยู่ที่สิ่งแวดล้อมสิกขาบททั้งหลายเนี่ยเน้นสติสัมปชัญญะดับกิเลสตรงๆนั่นแหละเป็นอุชุปฏิมณูแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นรั้ววินัยเนี่ยเป็นรั้วล้อมเอาไว้ไม่มันล้าําออว่าถ้าสมมติว่าเราถอยล่นก็ถอยล่นไม่เกินนี้การโจมตีกับกิเลสเนี่ย ไม่ไม่ถอยล้นเกินกว่าเขตหมุดที่เขาตั้งไว้เนี่ยแล้วก็บุกกข้าไปขนาเวลาถอยกลับมาก็ไม่เกินผิดศีลผี่ธรรมมาเนี้ยบุกเข้าไปไม่อีกอย่างนี้เพระาะว่าเนี่ยไม่ล้ําเส้นนี้่มานั่นเรียกว่าวิ่งในอาศัยธรรมะก็คืออาศัยความรู้สึกตัวอูช้ชุปฏิปโนยญยะปฏิมโนสามีต้องเอาสภาวะอันนี้ลุกล้ําลุยมันเข้าไปนี่ยเขาเรียกว่าผู้เอาธรรมะเป็นที่ตั้งเอามาว่าเป็นที่ตั้ง บุคคลหินัยาาในเอาวินัยเป็นที่ตั้งเนี่ยถ้าบุคคลไหนไม่เกี่ยวธรรมะก็เอาวินยัยก็เอาก็สู้กันไปเลยอก็ไม่เป็นทั้งมีทั้งมหายานหินัญญาอยู่ในตัวสุดท้ายคือมันไม่ไปใช่เรื่องสงสัยอะไรสักอันถ้าไม่สงสัยเลิกสงสัยลาวดับไปได้อนุสัยสังโยชน์ตัวนี้ก็ดับไปหรือที่ความเพียรสงสัยในมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปเนี่ย นั้นสังเกต ด, ดูให้ดีนะถ้าหาว่าเราอยากดับอะไรที่มันละเอียดเนี่ยต้องฝืนใจข่มใจตัดใจเห็นใจให้ได้เราเคยไดยินทัสนีนะป้าฮะตาป้าปาวนาปาวนาเยป้าฮะตาป้าตาแมนีวะทัศนีนะาา น, ะนะาพาวนาป้าฮะต า, าะ ป, ปา ต, ตาแมาบางอย่างภาวนาบางอย่างเห็นบางอย่างรู้บางอย่างคันติบางอย่างใช้สอยบางอย่างเลิก บางอย่างต้องทดสอบทดลองไปนี่อยู่บ่อยๆนั้นบางทีไม่จําเป็นต้องเราจะศึกษาจากตำหลับตำรานะฟังแค่นี้หรือบางทีบางคนมีโยนิโสสังเกตอารมณ์ตัวเองบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยคนนั้นก็สามารถชําระล้างอาสะวะทมได้อนุสัยได้ตำหลับตำราเนี่ยลวงปู่มั่นท่านพูดแบบสะเทือนใจนะถ้าคนไหนติดเนี่ยถ้าไปเห็นพระเนี่ยอ่านหนังสือธรมธรมะธรรมูนั่นนี่ทั้งเฮ้ยท่านบอก ชีวิตจะมัวทำตัวเป็นมอดเป็นปลวกหากัดกินหนังสือเล่นอยู่นี่แหละท่านบอกอย่าทำตัวเป็นมอดเป็นปลวกหากัดกินหนังสือตำราตำราเลยให้ปลวกให้หมอดมันกินเราเป็นมนุษย์เป็นพระเนี่ยนะเร่งให้เห็นแก่นมันเพ่งพินิจ ด, ด้วยใจท่านบอกให้เพ่งพินิจ ด, ด้วยใจคือด้วยสมาธินี่แหละมองข้างในเนี่ยให้จำแจ้งอย่าไปหากัดกินทำตัว อ, อ, กอักษร เราไปดูในที่พิพิธภัณฑ์ท่านนะหลวงปู่มันท่านจะมีหนังสือห น, ะนังสือเกี่ยวกับนี่แหละนักทมตีโทวเอก น, น้อยเป็นข้อมือหลักปฏิบัติศิขาบทอะไรต่างๆเนี่ยมีแบบนั้นเนอะท่านเป็นเขาให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงนะวัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่นะวัดใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เป็น ฐานที่ตั้งของกุวยิ่งฝ่ายธรรมยุทธ์ที่เหนือนะเขาถึงตั้งท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ท่านรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมที่นั่นปรรษาที่ต่อไหลมันไม่ก้าหน้านะทําความเพียรไม่ดีดีขึ้นอืมท่านกระปรอภกับลูกศิษย์ลูกหาท่านเล่าให้ฟังีวันหนึ่งท่านตัดสินใจออกไปทางพราวหรือทางไหนเนี่ยเพื่อปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าท่านออกมาตั้งนะท่านก็บอกว่า ตาตั้งเอ๋ยท่านบอกตาตั้งเอ๋ยพัดยศเอ๋ยตำแหน่งหน้าที่เอ๋ยเธอจงอยู่ที่วัดเจดีหลวงนี่นะส่วนพระมั่นจะไปแล้วท่านะส่วนพระมั่นนี่จะไปแล้วไม่อยู่แล้วจะแสวงหามีมุตติสุขไปเรื่อยๆเพราะอยู่ท่านมอบให้มันอยู่ที่นี่นที่วัดเนี่ยมันก็เหลือแต่ประวัติศาสตร์ว่าท่านเคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นคือ ท่านทําอะไรนี้ก็เถือนใจมากทุกอันนะเวลาคําพูดก็ดีปฏิปทาก็ดีการแสดงของท่านก็เถือนใจมีความง่วงเกิดขึ้นเวลาท่านทําความเพียรเนี่ยก็ได้หลายภาษนาะแต่ท่านทําความเพียรมันง่วงลูกสิทธิ์ลูกหาไปเห็นขนาดรู้สึกวบนลวงตามหาบัวใครหลายคนนะในประวัติก็จะเล่าให้ฟังว่าท่านเอาจริงกองจังมาก เวลาท่านง่วงนท่านเป็นนั่งอยู่ที่ปากหิวนั่งอยู่ที่ปากหิวนะแล้วทําความเพียนนั่งสมาธินี่ท่านบอกว่ามันเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้ามันอยู่อย่างนี้เนี่ยอืประชดประชันมัน่ะต่อสู้กับมันมันไม่มีความเข้มแข็งมันไหนก็ง่วงมันไหนก็ง่วงท่านบอกว่ า, าธาตุขันเนี่ยมันเลือเกินพัฒนามาจนป่านนี้ท่านบอกว่า เหมือนประชดประชันเหมือนละทิ้งมันเลยต้องบอกว่าหมูขนาดก็จะไม่ต้องเป็นภาระในการต้องเก็บศพถ้ามันยังโง่ๆทึมๆอยู่อย่างนเนี้ยเนี่ยให้มันตกเหิวแล้วตายไปเลยะลึกๆเนี่ยคงไม่มีคนลงไปเจอเอาไปไม่ได้ท่านธาตุขันก็ถือว่าทิ้งให้กับคืนธรรมชาติมันไปมันชอบนักต้องบธาตุขันนะเนี่ยให้มันล่วงลงไปเลย แล้วก็จะนั่งสมาธินั่งจนเหงื่อตกละ่ะอยู่บนหน้าผาลิมหน้าผาเฉียดฉัวขีดเส้นได้แต่ขีดเส้นนะผ่านหัวเข่าไปเฉยไม่มีพื้นที่ว่างพอที่จะให้ขยับหรือตะคุบเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะแต่ถ้าจะทำความเปลี่ยนสูงทีเนี่ยเพราะพอลูกศิษย์ลูกหามองเห็นเนี่ยมันได้ใจมันได้ใจได้ฟิล โอ้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฉันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างทันทีเลยเป็นจอมทัพที่สามารถพาลูกศิษย์ลูกหาบุกตะลุยไปข้างหน้าได้แต่ว่าเรา ม, ามองมาพวกเราเนี่โอ้ยขี้ป็ดติวนะมันช่างเป็นเรื่องอะไรที่มันเล็กน้อยอะที่เราบอกว่าทําความเพี่ยนกันจริงกันจังแล้วบางทีมองหาครูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ยที่เป็นยอดนักปรบตามทำ โอยหาไม่ได้ไม่ใชว่าเราเออหาตำรับตำลาศึกษาอ่านตำรับตำลาเออมันว่าผัวพูดได้นะธรรมะธรรมโมอะไรประมาณนั้นแต่มันไม่ได้เกิดจากอืการเห็นข้างในนะการดับทุกข์จากข้างในเนี่ยแต่นั้นเราพยายามเรียนรู้ธรรมชาติข้างนอกธรรมชาติข้างในหาให้เจอเมื่อไหร่น้อนหนาวแบบนี้จะเกิดขึ้นจากข้างในเนาะเนี่ย เมื่อไหร่นะร้อนแบบนี้จะสามารถมีตะบะเผากิเลสได้เหมือนไฟมันเผาวัตถุสิ่งของจากข้างนอกได้ น, น้อยคือคิดถ้ามันมีวิตตวิจารณ์ก็น้อมแบบนี้แล้วก็ใส่ใจในความวิเวกสังกัดวิเวกข้างในโย้ามาเป็นเรื่องของการเห็นแจ้งหมดแล้วก็ <c oughs> คงไปบินทบาตวันนี้วันเสาร์นะันบินทบาตวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปก็โมทนา ขอให้เรามีความเพียรอุตสาหะวิทยะจัดการกับกิเลสตหาอวิชชาอนุสัยทั้งหลายทั้งปวงให้สามารถหมดสิ้นไปในภพนี้ชาตินี้ด้วยกันอนุโมทนา